คบทวนความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได้เท่าที่ได้กล่าวมาในเรื่องความสุขเห็นควรสรุปให้เห็นขั้นตอนและประเภทชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะได้เป็นคู่ดังนี้คือเวทยิตสุขกับอเวทยิตสุขเวทยิตสุข คือสุขที่เป็นเวทนาหรือสุขที่มีการเสวยอารมณ์มีสองระดับหนึ่งกามสุขสุขเนื่องด้วยกามสุขเกิดจากกามคุณหรือสุขจากสิ่งเสพทางผัสสะทั้งห้าสองฌานสุขสุขเนื่องด้วยฌานหรือสุขที่เป็นวิบากแห่งฌานได้แก่สุขเนื่องด้วยโรคฌานสีขั้นและ สุกเนื่องด้วยอารมณ์ประชานสี่ขั้นอเวทยิตสุกคือสุขที่ไม่เป็นเวทนาหรือสุขที่ไม่มีการเสวยอารมณ์ได้แก่นิโรธสมาบัตสุกสุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัตคือการเข้าสัญญาเวทิยิตะนิโรธซึ่งเมื่อนับต่อจากการมสุขและชาณสุขนิโรธสมาบัตสุขก็เป็นสุขระดับที่สาม นี้จัดตามหลักความสุขสิบขั้นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ในที่นี้จะขอจัดใหม่อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คล้ายกันมากแต่ให้ความรู้สึกยืดหยุ่นหรือกว้างออกไปสักหน่อยโดยแบ่งเป็นสดังนี้ 1. การมาสุขสุขเนื่องด้วยกาม 2. อฌานสุขสุขเนื่องด้วยฌาน 3. นิพพานสุขสุขเนื่องด้วยนิพพานหมายเหตุเชิงอัด ที่จัดอย่างนี้ถือตามแนวพุทธพจน์ในราชาสูตรขุททกนิกายอุทานที่ตรัสถึงความสุขสามอย่างคือกามสุขทิพยสุขและตันหักขยสุขคําว่ากามสุขชัดอยู่แล้วส่วนทิพยสุขหรือทิวิยสุขปรมัตตีปณีซึ่งเป็นคมภีอัตถกถาอธิบายว่าหมายถึงชาณสุขนั่นเองและเฉพาะชั้นโลกิยาชาณสุข ที่ท่านว่าทิพยะสุเป็นชาณสุเพราะถือว่าชาญเป็นทิพยะวิหารตามหลักในสังคีติสูตรที่ขันธิกายปาติกวัตรซึ่งคำพีสุมังคละวิลาสีอธิบายว่าได้แก่สมาบัตแปดส่วนทิพยะสุที่หมายถึงสุขของเทวดาก็รวมอยู่ในกามาสุขแล้วข้อสุดท้ายตันหักขยสขุแปลว่า สุขเนื่องด้วยภาวะไรตันหาหรือความสิ้นไปแห่งตันหาก็คือสุขเนื่องด้วยนิพพานหรือนิพพานสุกนั่นเองเพราะตันหักไขเป็นวัยพศคำหนึ่งของนิพพานแต่อัตตกถาที่อ้างข้างต้นไขความว่าตันหักขยสุขหมายถึงพระสมาบัติสุขซึ่งเป็นสุขที่พระอริยบุคคลทุกท่านตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสเสมอได้ โดยทำนิพานเป็นอารมณ์ในที่นี้ใช้คําว่านิพพานสุขให้มีความหมายลุ่มๆกลุ่มถึงภะสมาบัตสุขที่กล่าวนี้ด้วยสุขเนื่องด้วยเนิโรธสมาบัตที่เป็นภาวะเทียบคล้ายนิพานด้วยกลุ่มถึงวิมุตติสุขที่ท่านกล่าวถึงบ่อยๆด้วยการจัดเป็นสามอย่างนี้ไม่ห่างจากแบบที่ประมวลจากสุขสิบขั้นข้างต้นเลยอธกถาที่แบ่งประเภทสุขละเอียดที่สุดคงได้แก่คำภีมโนรัตถาปุรณี ซึ่งแบ่งสุขเป็นเจขั้นคือมนุษยสุขทิพยสุขชาณสุขวิปัสนาสุขมรรคสุขภละสุขนิพพานสุขสุขเจ็อย่างนี้อาจจัดรวมได้เป็นสี่ประเภทคือ 1. กามสุขรวมถึงมนุษยสุขและทิพยสุขสำหรับทิพยสุขนี้เฉพาะในความหมายว่าสุขของเทวดาหรือสุขในสวรรค์ 2. ชาณสุขได้แก่โลกิยาชาณสุขหรือโลกิยาสมาบัตสุขบางแห่งเรียกเป็นทิพยสุขในแง่เป็นทิพยวิหาร 3. วิปัสสนาสุขสุขเนื่องด้วยวิปัสสนาที่ชัดคือที่เป็นวิปัสณูปกิเลสอย่างหนึ่ง 4. โลกุตระสุขได้แก่มรคสุขพลสุขและนิพพานสุขและในคำว่าพลสุข ให้รวมถึงพละสมาบัตสุขซึ่งคลุมเอาวิมุติสุขเข้าด้วยกล่าวโดวยสัมพันธ์กับบุคคลผู้เสพเสวยความสุขเหล่านี้จะเป็นดังนี้หนึ่งกามสุขผู้เสพได้แก่มนุษย์ปุทุชนและอริยบุคคลชั้นโซดาบันและสกะทาคามีรวมทั้งเทวดาชั้นกามาประจรสวรรค์ทั้งหกชาณสุขผู้เข้าถึงได้แก่ มนุษย์ปุทุชนและอารยบุคคลทุกชั้นตั้งแต่พระสดาบันถึงพระอรหัน์เฉพาะท่านที่เจริญฌานชั้นนั้นๆได้แล้วรวมทั้งพรหมทั้งหมดคือรูปประพมสิบหและอรูปประม 4. สมี่สนิพพานาสุขผู้เข้าถึงได้แก่พระอารยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหัน์ แต่ต้องแยกแยะออกไปอีกถ้าเป็นพระสมาบัติสุขก็ได้สำหรับผู้บรรลุผลขั้นนั้นๆถ้าเป็นนิโรธสมาบัติสุขก็ได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8ดแล้วถ้าจัดโดยถือบุคคลเป็นหลักการเสวยความสุขจะมีวิสัยดังนี้ 1. มนุษย์ปุถุชนอาจเสพกรรมสุขและเสวยฌานสุข 2. อริยบุคคลชั้นโสดาบันและสกะทาคามีอาจเสวยการมสุขชาณสุขและนิพพานสุขประเภทภะละสมาบัตสุขสาอาริยบุคคลชั้นอนาคามีและพระอรหัน์อาจเสวยชาณสุขและนิพพานสุขทั้งประเภทภะละสมาบัตสุขและนิโรธสมาบัตสุขถ้าได้สมาบัตแปดแล้ว สิ่งสำคัญที่พึงย้ำไว้เป็นพิเศษในเรื่องความสุขนี้มีอยู่ว่าพระพุทธศาสนาไม่สอนให้บุคคลทำการต่างๆเพื่อเห็นแก่ความสุขก็จริงแต่ก็ยอมรับความจริงอยู่เสมอว่าความสุขเป็นส่วนสาระสำคัญที่จำเป็นของจริยธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่การประพฤติธรรมจะว่าเป็นหลักยึดหรือฐานค้ำจุของการประพฤติธรรมก็ว่าได้ทั้งนี้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 ความสำคัญและจำเป็นของความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ดังที่กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ต้นและควรจะนำเอาสาระมากล่าวย้าไว้อีกว่าผู้ปฏิบัติธรรมใดถ้ายังไม่ประสบความสุขประนีตลึกซึ้งภายในที่ไม่อายการก็ยังวางใจไม่ได้ว่าจะไม่เวียนกลับมาหาการอีกแม้ท่านที่บวชเป็นบนรรพชิตแล้วถ้าตราบใดยังไม่ได้สัมผัสความสุขประณีตลึกซึ้งภายใน ชนิดที่ไม่ต้องอาศัยอาหมิดก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ตราบนั้นกิเลสจะสามารถเข้าครอบงำใจอาจให้ครองพรหมจันทร์อยู่ไม่ได้ท่านชักชวนแม้แต่ปุถุชนให้พยายามสร้างสมความสุขชนิดนี้ไว้หรือให้รู้จักความสุขอย่างนี้ไว้บ้างเพราะนอกจากจะทำให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากการมาสุขที่ตนมีอยู่แต่เดิมเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนแล้ว ยังทำให้ชีวิตมีทางออกในทางความสุขที่จะไม่ต้องถูกบีบังคับด้วยตันหาให้วิ่งพรานรานรา น, รนอย่างไม่มีขอบเขตจนก่อแต่ปัญหาต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่โลกอาจพูดย้ำลงไปได้ทีเดียวว่าถ้ามนุษย์ไม่ยอมหันมาทำความรู้จักกับความสุขป่ายนิรามิดไว้และไม่เอาใจใส่ความสุขด้านนี้กันบ้างแล้วการโลดแล่นทยานหาแต่กามาสุขอย่างเดียว จะนำมนุษย์ไปสู่ความมีชีวิตที่ผิวเผินประกอบด้วยความขับแคนกระวนกระวายเบื่อหน่ายระทมทุกข์ภายในจิตใจและการแข่งขันแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนตลอดจนการทำลายล้างระหว่างกันจนในที่สุดมนุษย์จะพาตนเองและโลกไปสู่ความพินาศในเมื่อแม้แต่ปุถุชนผู้อยู่ท่ามกลางการแสวงหากา ม, มาสุขความสุขด้านใน ยังจําเป็นถึงอย่างนี้แล้วผู้ดําเนินชีวิตชนิดที่ปลีกออกหรือลดหรือเสียสละกา ม, มาสุขก็ยิ่งจําเป็นต้องเข้าถึงความสุขประเภทนี้มากขึ้นเป็นทวีคูณไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ออกโบวชหรือท่านที่เรียกกันว่ามุ่งปฏิบัติธรรมชั้นสูงแม้แต่ผู้ที่บําเพ็ญตนเป็นนักเสียสละดําเนินชีวิตเพื่ออุดมกติก็จะต้องพยายามมีความสุขชั้นในนี้ให้ได้บ้างมิฉะนั้น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 ถ้าทำให้คนรู้จักความสุขด้านไหนไม่ได้ทำให้เห็นคุณค่าของความสุขด้านไหนนั้นไม่สำเร็จการทยานหากามมาสุขก็จะครอบงำมนุษย์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของโลกโดยสิ้นเชิองอยู่ต่อไปไม่ว่าศาสนาปรัชญาหรือนักจริยธรรมจะระดมกำลังกันสั่งสอนมนุษย์ว่าอย่างใด